เดี๋ยววันนี้ฟังธรรมก่อนเลยดีกว่า น, นะเพราะว่าถวายของเดี๋ยวเกิดฝนฟ้าตกขึ้นมาจะลําบากอันนี้นั่งอยู่ประจําที่แล้วก็นั่งฟังธรรมไปก่อนเผื่อฝนตกก็นั่งสมาธิต่อฝนหยุดแล้วก็ค่อยมาถวายข้าวของกันให้มาถวายข้าวของเดี๋ยวต้อง เข้าออกกันลำบากก็ฟังเทศฟังธรรมเลยก่อนวันนี้เป็นวันพระวันพระนี้เป็นวันที่เราชาวพุทธจะมาทำหน้าที่ทางภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เรามากระทำกัน เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี้ไม่มีวันตายจะเจริญหรือจะเสื่อมอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะมีแต่เจริญไปเรื่อย ถึงแม้ว่าจะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายแต่จิตใจจะไม่เสื่อมเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดแต่ใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่มีการเจริญและมีการเสื่อมเหมือนกันการเจริญของใจ อยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการเสื่อมของใจอยู่ที่การไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประาณก็ได้นันก็เราจะต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะเราทุกคนต้องการความเจริญต้องการความสุขกันความสุข ของใจนี่ไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขความเจริญทางร่างกายนี้คือการได้ลาบยุดสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขความเจริญไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเพราะจะต้องเสื่อมต้องหมดไปกับร่างกาย เวลาร่างกายเสื่อมเวลาร่างกายตายความเจริญของทางร่างกายก็หมดไปลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องหมดไปคนตายนี้เอาอะไรไปไม่ได้ลาบยศลาบก็คือเงินทองสมบัติต่างๆมีมากมีน้อยก็เอาไปไม่ได้ ยศก็คือตำแหน่งต่างๆยศฐานบรรดาสัก์เอาไปไม่ได้สรรเสริญคํายกย่องเยินยอก็เอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เอาไปกับใจไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนของร่างกายเป็นอยู่กับร่างกายพอรา่างกายตายของพวกนี้ก็ตายไปด้วย แต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจของเราเจริญก็ยังเจริญต่อไปถ้าใจเราเสื่อมก็เสื่อมต่อไปเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะป้องกันใจไม่ให้เสื่อมที่จะสร้างที่จะพัฒนาใจให้มีแต่ความเจริญขึ้นไปจนถึงความเจริญที่สูงสุด ดังที่พระพุทธเจ้าได้พัฒนาใจของพระองค์ใจของพระองค์ได้รับการพัฒนาจากปุถุชนไปเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปสู่พระนิพพานไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดพระนิพพานนี้คือสวรรค์ชั้นสูงสุดรองลงมาก็สวรรค์ชั้นพรหมรองลงมาก็สวรรค์ชั้นเทพ ตามก่าชั้นเทพก็ชั้นมนุษย์ตามว่อมนุษย์ก็เดรัจฉานตามการเดรัจฉานก็เปรตอสุรกายนารกนี่คือระดับชั้นขั้นต่างๆของจิตใจถ้าไม่ทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะเสื่อมจะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกาย ไปตกนรกถ้าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตใ จ, จก็จะสูงขึ้นไปจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็คือสกิทาคามีขั้นที่สมก็อนาคามี ขั้นที่สี่ก็อรหันต์นี่คือจิตใจหรือขั้นลำดับขั้ น, นต่างๆที่จิตใจเราสามารถขึ้นหรือลงได้พระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะทำให้จิตใ จ, จเจรินขึ้นไปตามลำดับรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องเสื่อมลงไปสู่ จุดที่ต่ำสุดก็คือนรกนะท่านถึงสอนให้พวกเรามาทำหน้าที่มามาพัฒนาจิตใจวันพระนี้เป็นวันที่เราจะมาพัฒนาจิตใจเราจะหยุดการพัฒนาทางร่างกายหนึ่งวันย ห, าาหยุดทาราหา ย, หายเศเธอสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายแล้วเราจะมาหาความสุขความเจริญทางจิตใจจิตใจเราจะเจริญและมีความสุขได้ถ้าเราชำระสิ่งที่สกปรกที่มีอยในใจให้หมดไปสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมอง ไม่สบายใจเสียใจน้อยใจทุกข์ใจกังวลใจวุ่นวายใจเกิดจากอากุศลอกุศล น, นี้มีอยู่10บประการด้วยกันมี3อกุศลสามทางทางกายทางกายมีอกุศลอยู่3ทางวาจาอากุศลมีอยู่สี่ และทางใจอกุศน์ทางใจมีอยู่สามรวมทั้งหมดก็เป็นสิบเป็นสิ่งที่เราต้องมาชำระกันถ้าเราชำระอกุศลทางใจทางกายทางวาจาได้หมดเราก็จะสะอาดใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านี่ การกระทาทางกายทางวาจาทางใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอคศล <ừ. S 1> จึงไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความไม่สบายใจไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความกังวลใจ <ừ. S 1> ย n ่งข้า n s i ้นไสอีเวลิคข้าวหังไหนก็ได้ผู้ชายก็นื้อนนหมดนี้กนเนยขยะพุ่งมน อาดีตเขาเป็นนักพักตด ง, ดง เ, น เ, ตนเนี่ยักตดงเวลาไปอยู่ในป่าเจอข่อยแกเนี่ยกางกดกลางลุง้งได้ไปตามสบา ย, าบา ย, าบายตัวใครตัวมันตอนนี้ฝนตกเสียงดังถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวอาจจะขอพักนั่งสมาธิกันแปบหนึ่งไป วิธีนั่งสมาธิก็คือไม่ให้เราคิดอะไรให้ใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรม พ, ทรพทรุทโธพุทโธหรือจะสวนมนต์ไปทายในใจก่อนกครับสวทอีพิปิโสสวนไปไม่ให้ไปคิดผงเรื่องราบยกสลรเสวนไม่ให้ไปคิดเสียงรูดเสียงจินลดต่าง ถ้าใจเราไม่คิดแล้วใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขเพราะความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบที่ยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดก็คือความสงบความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ใช้สติคือพุทโธพุทโธ บริการพุโทโธพุธโทโธไปเราก็จะมีสติมาหยุดทางคิดต่างๆเพราะเวลาเราพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พยายามหัดพุโทโธไปเถอะเราจะเห็นคุณค่าของพุโทโธจะทําให้ใจเรานิ่งใจเราสงบใจจะมีความสุขความสุขที่ดีกว่าได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้าน ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ตาแหน่งสูงๆได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งความสุขที่ได้จากความสงบไปได้คนที่มีความสุขจากความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไร <c oughs> ก็มีความสุข <c oughs> มีความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่กับตัว <c oughs> พวกเราทุกคนนี่สามารถมีความสุข ได้มากกว่าพระพเจ้าแผ่นดินสามารถมีทางสุดได้มากกว่าประธานาทิบดีแต่พวกเร า, เราไม่รู้กนะันวันนี้เรามาพบกับพระพุทธศาสนามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะรู้กันแล้วว่าเราสามารถมีทางสุดที่ดีกว่คทางสุดของพระเจ้าแผ่นดินได้มีก่าทางสุดของประธานาทิบดีได้ ตอนนี้ขอให้เราลองมานั่งสมาธิกันสักคู่หนะึ่งตอนนี้ฝนตกพูดไปเสียงมันจะไม่ค่อยยังมันจะบ่กวนกันตอนนี้เรานั่งสมาธิสักพักเีย๋ยวใ้ฝนเบาหน่อ่อนพูดจูดนั่งท่าไหนก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งทับเที่ยวก็ได้นั่งแล้วก็ตั้งตัวให้ตรง พอนั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายเวลานั่งอาจจะมีความรูษษ้สึกว่าร่างกายไม่ตรงก็ไม่ต้องกังวลร่างกายจะเอ็นไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ต้องกังวลให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือเราชอบดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอยากคิดอะไรพยายาม คอดูว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้พุโทโธเราไม่ได้ดูเราหายใจถ้าเราดูเราหายใจเราพุโทโธเราจะไม่คิดเรื่องไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่คิดเห๋ยวใจเราก็จะสงบแล้วเราจะมีความสุขอย่ามากตอนนี้ขอยังสมาธิกันสักพุ่ก่นนอนตอนนี้ฝนก็หยุดแล้ว เราจะให้ญาติโยมเข้ามาถวายข้าวของก่อนจะถวายจะอนุโมทนาก่อนให้พรก่อนเลยเดี๋ยวใครให้รับให้ของแล้วอยากจะกลับบ้านก็ได้ไม่ต้องรอถ้าเดี๋ยวเรามาพูดธํานะกันในช่วงยะถาวะไรวะหาปุราปาริปุเรนติสักะรัง เอวเมวาอิโตจินังเปตันังอุปคาปติอชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปานาโตปนะรัสยทาเมจติรัสยทาสัพหิตโยมิวะชันตุ ซาะโวินาตมาเตภวตวันตาโยสุขีทีคาโยกวาภิวัตานสีลิสนิจังพุธาปะจายโนจตารธรมมวทันติอายุวันโนสุขังอลั ไม่ได้พูดทา ม, มากๆ ก, กันอตอบก่อนย้ายเลยออนิจาร์นะไม่เที่ยงแท้แน่นอะนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าใจเราไม่มีความยึดติดแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ได้ มาอยู่แล้วผ่าตัดมาแล้ตอนจะผ่าก็ไม่ได้มาร้านนะไม่ต้องแล้วผ่าไปเลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ไม่เป็นไรเรปลอดภัยแน่ๆร่างกายไม่ใช่เราเมื่อกี้เราพูดเรื่องการชำระใจชำระอากุศลอากุศลนี่ค่ะเป็นตัวถ่วงความเจริญ ถ้ากำจัดมันได้จิตก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอกุศลทางกายก็มีอยู่3าฆ่าสัตว์รักทรัพย์พุพทธิบุตรเวณีไม่ควรที่จะทําควรจะชาระควรที่จะกําจัดเป็นเหมือนเชื้อโรคมีเชื้อโรคแล้วร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยในอากุศลทางกายคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การสะพุดผิดตัวนี้ก็จะทำให้จิตใจเสื่อมลงร่างกายก็เสือ่อมนี่คืออกุศลทางกายเราถึงต้องมาถือศีลกันวิธีชาระก็คือการถือศีลศีลห้ารักษาศีลห้าให้ดีแล้วใจเราจะไม่ตกต่ำผู้ที่รักษาศีลห้าได้ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรยไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ถ้าชำระอกุศลทางกายไม่ได้ทางวาจาไม่ได้ก็จะต้องไปเกิดในอบายพยายามชาระอกุศลทางกายสามข้อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่น และเว้นจากการประพฤติประเวณีแล้วอากุศลทางวาจาก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการพูดปกข้อที่สองพูดคำหยาบข้อที่สามพูดเพเจข้อที่สี่พูดส่อเสียดส่อเสียนี้หมายถึงยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกัน ไม่ได้เป็นคำพูดเสียดสีเป็นสอนเสียนี้แปลว่าพูดให้เกิดความแตกสามคัคคีสังคมเราครอบจะอยู่การโน้มเย็นกันสุขนี้ต้องมีความสามัคคีคการพูดที่ทำให้เกิดความแตกสามัคคีก็จะทําลายความสงบสุขของสังคมคนี่คืออกุศนทางวาจาสี่ข้อด้วยกัน พูดบทพูดคํายากพูดเพาอเจ้พูดสอเสียพูดเพาอเจ้อก็พูดเรื่องไร้สาระพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ควรจะพูดเรื่องที่มีประโยชน์พูดเรื่องธรรมะหรือพูดเรื่องวิชาการวิชาความรู้ต่างๆพูดแล้วเกิดประโยชน์กับคนฟังคนฟังแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ สามารถเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้พูดพูดเพ้อเจอแล้วไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรพูดเรื่องไร้าสาระต่างๆแล้วก็คำหยาบพูดคำหยาบก็ไม่ดีเพราะคำหยาบก็เป็นเหมือนขยะทางวาจานั่นเองไม่มีใครอยากที่จะรับขยะ พูดคำหยาบแล้วฟังแล้วมันทำให้ใจไม่สบายไม่มีความสุขคนพูดก็จะเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่เจริญก้าวหน้าคนที่เขาอยู่ในสังคมที่เจริญเขาไม่พูดคำหยาบนคนที่พูดคำหยาบนี้เป็นพวกที่อยู่ในสังคมที่ไม่เจริญแล้วก็คาการพูดปด การพูดปดนี้ก็ไม่ดีเพราะทำให้ผู้พูดนี้ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความน่าเชื่อถือพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อถ้าไม่พูดปลนแล้วพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อมีศักดิ์มีศีมีน้ำหนักนี่คืออากัสมทางวาจาที่เราควรที่จะชำระกัน ด้วยการละเว้นการพูดปดละเว้นจากการพูดคำหยาพระทลุสวาสละเว้นจากการพูดเพ้อเจอะละเว้นจากการพูดคำส่อเสียยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วก็มาํำระอกุศลทางใจอกุศลทางใจก็มีอยู่สาม คือความโลภสองความโกรธสามความหลงโลภ โ, โกรธหลงนี่เป็นอกุศลทางใจที่จะทำให้ใจนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจให้อยู่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ให้อยู่กับพระอริยบุคคลนะก็ต้องมาชำระว่าชำระใจกันการชำระใจนี้ก็ต้องใช้การภาวนามีสองระดับคือสมาธิภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นนี้ต้องใช้สมะถะภาวนาก่อนสมะถะภาวนาเป็นบาดฐานของของวิปัสสนาภาวนา ตอนที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้ใจต้องมีความสงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วจะไม่สามารถพิจารณาไม่สามารถจเจริญทางปัญญาได้ใจเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือถ้าใจเราไม่สงบนี่ฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์สอนอะไรฟังไม่เข้าใจเพราะใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ความรู้ที่อาจารย์พยายามที่จะถ่ายทอดให้ก็จะไม่เข้าไปในใจเวลาสอบก็จะสอบไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่รู้คำตอบเพราะเวลาฟังไม่รงใจฟังใจไม่สงบใจไม่นิ่งการที่เราจะสอนใจให้ฉลาดให้มีความรู้ได้ต้องทำใจให้นิ่งก่อน การภาวนาเพื่อชำระความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องทําสมถะภาวนาก่อนแล้วค่อยวิปัสสนาภาวนาเป้าหมายก็เพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงนีง่ขั้นต้นการทําสมถะภาวนานี้ก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวก่อนตัดกําลังมันก่อน ถ้าเราไม่นั่งสมาธิไม่ทำใจให้สงบเนี้ความโลภความโกรธความหลงนี้จะมีกำลังมากแล้วถ้าเอาปัญญามาสอนให้หยุดความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดไม่ได้เพราะมันมีกำลังสู้ไม่ไหวสู้ความโลภความโกรธความหลงไม่ไหวนั้นขั้นต้นนี้ต้องหยุดมันก่อนถ้าเป็นนักมวยก็ต้องโชคให้มันล้มลงไปก่อนให้นับแดก่อน พอหนาแปดหน้านี้ขึ้นมานี่จะโซเซจะสลึมสลือทีนี้ก็สามารถใช้ปัญญาเข้าไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้อย่างง่ายได้ท่านต้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนวิธีจะทำใจให้สงบก็ใช้สติเป็นเครื่องมืออย่างที่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันเรากำลังทำใจให้สงบถ้าเรามีสติ ควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทธโธก็ดีอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอใจไม่คิดใจก็จะสงบพอสงบความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้ตอนที่นั่งสมาธินี้ใจสงบแล้วความโลภความโกรธความ โ, ามโงหายไปชั่วคราว แต่ไม่ตายไม่ถาวนไม่หายอย่างถาวนเป็นเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้านี้หญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้พอเอาหินออกจากหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาได้ดั้นขั้นต้นต้องเอาหินทับหญ้าก่อนทับความโลภความโกรธความหลงให้มันให้มันอ่อนกำลังลงก่อน แล้วพอออกจากสมาธิมาก็เอาปัญญามาฆ่ามันได้เลยปัญญาที่จะฆ่าความโลภความโกรธความหลงได้ก็คือการเห็นความจริงของสิ่งที่ความหลงมองไม่เห็นความหลงนี่มองมองความจริงไม่เป็นไปไม่เป็นไปาตามความจริงความหลงนี่คืออะไรเช่นเห็น สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรียกว่าหลงถ้าเปรียบเทียบแบบชาวบ้านก็คือเห็นสุนัขว่าเป็นแมวไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าเป็นปัญญานี้จะต้องเห็นตรงกับความเป็นจริงเห็นสุนัขเป็นสุนัขเห็นแมวเป็นแมวเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเป็นผู้ชาย คนที่เมาเหล้านี่บางทีมองกลับตาละปามองเห็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไปก็มีพวกเมาเหล้านี้บางทีถูกพวกเพศสองนี่หลอกไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสติ <laughs> ถ้ามีสติจะรู้อ๋อนี่ประเภทสอง <laughs> อาการมีปัญญาก็คือการเห็นความจริง เห็นสิ่ง<ร>ที<ร izon>่ทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าไม่ใช่เป็นของเรานี่คือหน้าที่ของปัญญาจะมาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจหลงคิดว่าสุขนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงแต่ใจความหลงมักจะคิดว่าเที่ยง ได้อะไรมาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอด่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงได้แล้วมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็เสียไปหมดไปไม่ได้เป็นของเราตลอดต้องเห็นความจริงถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราเราก็จะทุกข์ ที่เราทุกข์กันก็เพราะเวลาเราเสียของที่เราคิดว่าเป็นของเราไปเสียสมบัติเสียข้าวของเงินทองเสียสิ่งที่เราลักเสียคนที่รักไปเวลาเสียไปเราก็ทุกข์กันเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราและคิดว่าเป็นของถาวรคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ เทียงแท้แน่นอนที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่โลภพอเราไม่โลภเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่มีโกรธความโกรธนี่ก็เกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรแนละ้วพอไม่ได้ดังใจก็โกรธอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นไม่ให้เราเราก็โกรธเขาอยากให้เขาพาเราไปเที่ยวเขาไม่พาเราไปเที่ยวเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความโลภแล้ว <sig. S 1> เขาจะพาเราไปเที่ยวหรือไม่พาเราไปเที่ยวเราก็ไม่โกรธเขานี่คือการชำระถ้ามีสมาธิแล้วเราจะมองเห็นความจริงจิตสงบแล้วหูตาจะสว่าง จะเห็นชัดเห็นเห็นแมวเป็นแมวเห็นสุนัขเป็นสุนัขเห็นทุกเป็นทุกเห็นอนิจจังเป็นอนิจจังเห็นอนัตตาเป็นอนัตตาแต่ถ้าใจไม่สงบนี้จะเห็นกับตาละปัดแล้วเวลาใจไม่สงบนี้เหมือนกับเราใส่แว่นตาเราใส่แว่นตาสีดำนี่มองอะไรเห็นดำไปหมดไม่ตรงกับความเป็นจริง พอเราถอดแว่นออกมาเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมันไม่ดําที่มันดําเพราะแว่นอันใดความหลงนี่ก็เป็นเหมือนแว่นที่เราครอบใจเราไว้พอมีความหลงครอบใจไว้เห็นสิ่งที่ทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขไปอะไรที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็ลาบยศสรรเสริญเนี่ยเงินทองนี่ตำแหน่งต่างๆทาสรรเสริญเยินยอเนี่ยเราคิดว่าเป็นสุขกัน พราว่าเวลาเราได้มาแล้วเราก็ดีใจกันแต่เราลืมไปว่ามันไม่ได้อยู่กับเราไปเรื่อยๆมันไม่ได้มาเรื่อยๆพอเวลาที่ไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์ละอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ ược. ได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์แล้วเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปก็ไม่ได้ ก็เรียกว่าอนัตตาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศวันนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นนักชับธรรมชาติราบยศสรรเสริญนี่ก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะตกก็ตกมันจะมาก็มามันจะหายไปก็หายไปวเวลาเราไปหลงเราก็จะอยากได้มั น, นเพราะคิดว่ามันเป็นสุข พออยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจหรือถ้าได้มาแล้วพอเสียไปก็เสียใจนั่นเราต้องมาสอนใจให้รู้ทันความจริงว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้อยากดีกลายเป็นไม่ดีได้แล้วเราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็อยากไปมีสิ่งต่างๆเหล่านี้กาที่เราจะไม่มีสิ่งต่างๆได้เราก็ต้องมีความสงบต้องมีความสุขที่เราได้จากสมาธิถ้าเรามีความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องไปหารากยศสำรัเสืถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไปหาทาไมแกว้งเท้าไปหาเสียนทาไมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่า แกว่งไปก็ไปเตะเสี้ยนเตะน้ําแล้วก็เจ็บตัวเปล่าๆสู้นั่งอยู่เฉยๆอย่าไปเตะอย่าไปแกว่งเท้าดีกว่าดังใดใจเราก็อย่าไปแกว่งหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทุกเวลาที่ไม่ได้หรือทุกเวลาที่เสียไปแต่เรามักจะมองไม่เห็นเพราะเวลาเราอยากได้อะไรเรามักจะได้กัน ส่วนใหญ่จะได้กันพอได้ก็ดีใจกันก็เลยคิดว่าเป็นสุขกันแต่มันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่อยากแล้วไม่ได้ขึ้นมาต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปมันนานๆนจะเกิดขึ้นทีมันเลยมองไม่เห็นพราะเราจะเห็นว่าอ๋ออยากได้อะไรก็ได้ได้แล้วก็มีความสุขอยากไปเที่ยวได้ไปเที่ยวก็มีความสุข อยากอยู่กับแฟนได้อยากได้แฟนมาพอได้แฟนมาก็มีความสุขอยากอยู่กับแฟนให้ก็มีความสุขแต่วันดีคืนดีแฟนหายไปมันนานๆจะเกิดครึ่งทีเราจรึงทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยมถ้ามันเกิดบ่อยๆเราคงจะเห็นถ้าหาแฟนมาได้สองวันก็หายไปแล้วเดี๋ยวหาใหม่อีกสองวันก็หายไปแล้วถ้ารู้งี้ไม่เอาดีกว่า มันได้มาเราก็หายไปแต่ส่วนใหญ่มันไม่หายไป ท, ทันทีมันนานมันค่อยหายไปเช่นร่างกายเราเนีนน่ยนานกว่ามันจะแก่ทันทีกว่ามันจะเจ็บเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเลยเลยลืมไปเราคิดว่ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี๋ยวพอถึงเวลามันมาเข้ามาตกใจ ใช่ไหมเวลามีข่าวว่าคนนั้นไม่สบายนี้โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เวลามีข่าวคนนั้นตายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาก็เพราะว่าเราลืมแล้วของนี้มา น, นานงานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็เลยคิดว่าไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายกันเราจึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจ ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันจบมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดผ้ากกันแล้วห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้สั่งให้เขาไม่เที่ยงไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงเราก็จะหยุดโลภหยุดยากับสิ่งต่าง อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่แหละเป็นของเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องหาให้เหนื่อยอยู่ที่ไหนก็มีความว่างอยู่กับเราตลอดนะอยู่กับความว่างแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่ต้องมาคอยหาไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่เขาหายไปของทุกอย่าง มันต้องหายไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับมีความว่างแท่นั้นแนหะที่ไม่เกิดไม่ดับถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราจะมีความเราจะไม่มีการสูญเสียความว่างไปโดยเด็ดขาดความว่างจะเป็นเพื่อนสนิทของเราที่จะไม่ทารยศเราที่จะไม่จากเราไปการที่เราจะอยู่กับความว่างได้เราต้องทำใจให้สงบอดใจสงบ ความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็ถูกลังงับไปอันนี้คือที่มาของการมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องชำระด้วยการภาวนาถ้าเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะกำจัดอุอกุศลทางกายทางวาจาได้ด้วยคนที่ไม่มีความโลภนี้จะไม่จไม่มีการฆ่าผู้อื่น จะไม่มีการลักทรัพย์ของผู้จะไม่มีการประพือผิดต่อเวณีจะไม่มีการพูดปดจะไม่มีการพูดคำหยาดจะไม่มีการพูดเพ้อเจ้อจะไม่มีการพูดสอบเสียเพราะใจที่สงบใจที่มีความสุขนี้ไม่ไม่ต้องการอะไรจากใครก็เลยไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงผู้นี่คือวิธีชาระ กายวาจาจาให้สะอาดอย่างถาวอนต้องชำระ ด, ด้วยการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาส่วนการชำระ ด, ด้วยศีล น, นี่ก็เป็นการชำระชั่วคราวถ้ามีศีลเราก็หยุดการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีได้แต่ถ้าศีลหายไปศีลขาดเมื่อไหร่เราก็จะไม่สามารถรักษาได้ศีลก็ยังไม่ เป็นของที่แน่นอนบางทีก็รักษากันได้บางทีก็ไม่รักษากันเช่นวันนี้วันพระอาจจะมารักษาศีลกันเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ก็ไม่รักษาแล้วพอไม่รักษาเดี๋ยวอกุศลก็เกิดขึ้นมาพอเกิดอกุศลก็จะเกิดความเศร้าหมองเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็ตายไปก็จะต้องไปเกิดใหม่เพราะความโลภความ โความหลงนี้ยังมีอยู่ในใจมันก็จะดึงให้ใจไปหาราบยศสรรเสริญไปหาสิ่งที่เราโลภใหม่ดางนั้นการรักษาศีลก็เป็นเป็นการสนับสนุนด้วยเป็นขั้นต้นของการชำระอกุศลแต่การที่จะชำระอกุศลได้อย่างแท้จริงได้อย่างถาวรต้องมาชำระด้วยการภาวนา สมถภาวนาอย่างที่เมื่อกี้เรากําลังทํากันเมื่อกี้เรานั่งสมาธิพอนั่งแล้วใจสงบความโลภความโกรธ ค, ความหนื่อง่ายสมบตัวไปชั่วคราวแล้วตอนนี้เราออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญปัญญากันเนการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือการมองเห็นความจริงมองเห็นสุนัขว่าเป็นสุนัข แมวเป็นแมวผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายไม่เห็นกับตาลปัตรกันพวกที่เห็นกับตาลปัดก็พวกที่ไม่มีสติพวกที่ไม่มีความสงบ พ, พวกกินเหล้าเมายาพอเมาแล้วนี่ไม่เห็นอะไรเห็นกับตาลปัดไปงั้นพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องหมั่นมองทุกมองมองความจริง มองเห็นอะไรก็ต้องบอกมันเที่ยงไม่เที่ยงถามเลยของที่เราเห็นนี่มันเที่ยงไม่เที่ยงรูปที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงเขาบอเห็นเดียวเดียวเดี๋ยวพอเราย้ายที่ไปรูปที่เราเห็นก็หายไปแล้วเสียงที่เราได้ยิ น, นยได้ยินปับ๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วไอ้แม่ไปนั่งดูจอหนังอยู่สองชั่วโมงพอออกจากโรงมารูปรูปภาพที่เราเห็นในจอหนังก็หายไปละ ความสุขความเพลิดเพลินที่ได้จากภาพก็หายไปไม่เที่ยงหมดแล้วพอหายไปก็ต้องกลับไปดูใหม่กลับไปดูอยู่เรื่อยๆดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาดูใหม่แต่เวลาไม่ได้ดูก็ทุกข์อีกนี่ก็คือต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่เที่ยงเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ เวลาไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเวลาห้ามไม่ให้มันจากเราไปเวลามันจากเราไปเราก็ทุกข์ใจเะนั้นต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโ่กนี้เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยากได้อะไรเราเนื่องสมาธิดีกว่า ทำใจให้สงบดีกว่าใจสงบแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขแล้วต่อไปพอความอยากหมดไปจากใจความสุขก็จะมีอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิสมาธินี้เป็นเพียงพี่เลี้ยงให้เราได้หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากหยุดความโลภได้ใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติใจก็จะมีความสุขโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปอ น, นี่คืองานที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราให้มาทำกันในวันพระพระพุทธเจ้าได้ทำงานนี้แล้วสาเร็จรู่เรืองแล้วได้พบความสุขระดับสูงสุดแล้วคือนิบบานังปามังสุขขังได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้ว อ, องค์ก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา ให้พวกเรานาเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราสามารถชำระอกุศลทั้งสิบประการให้ออกไปจากกายวาจาใจของเราได้เราก็จะมีแต่ความสุขเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่ก็คือธรรมะที่จะฝากให้ท่าน ญาติพี่น้องได้เอาไปพิจารณาได้เอาไปปฏิบัติกันนลาดับต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาได้ทั้งทางบ้านและทางที่ที่อยู่บนศาลานี้ใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้วันนี้ทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบเป็นไงฝนตกหายไปแนละ้วหายเายนะคนหายเลย จัญญาณไม่หายไม่หา ย, หาย ค, ค่ะคไปนั่งสมาธิ <c oughs> แล้วแล้วข้ามาสูงสุดเท่าไหร่คะสองร้ยห้าสิบีค่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ245ค่ ะ, ะก็ไม่ไม่หายมากงางยูทูปแปดสิบสี่ค่ ะ, อะตอนนี้เหลือ66สิบหค่ ะ, ะมีคำถามไหมนุ้ม หนูมีคาถามก็ค่ะ่ามมาหนูปัจจุบันเนี่ยเลิกานหลังหลังหนูไม่ไ่อนั่งสมาธิค่ะก็คิดว่าตัวเองอนี่ยแ่งหรือว่าหนูเป็นคนที่มีปัญญาความคิดของหนู่วนตัวว่าหนูพยายามแก้ไขในปัจจุบันอยากที่เข้ามาปุ๊บปุแต่ท้ายที่สุดที่หนูคิดน่ะมันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าวันหนึ่งสติก็ไม่มีจริงแสดงว่าหนูคิดผิดใช่ไหมคะที่พูด ใช่สมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงเรากับไม่เอากันคือคือถ้าตอนนี้นหลังหลังมีมานก็เลยต้องนะเพราะว่าอุปสว่าที่หผ่านมาหนูหนูหนูหนูตัวเองใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่คนจะไม่ชอบนั่งสมาธิกันเพราะมันยากควบคุมใจให้นิ่งนี่มันยากแต่ถ้าควบคุมได้แล้วจะพบกับความสุขที่ไม่มีอะไรจะดีเท่า พยายามนั่งสมาธิกให้ได้ให้ได้ความสุขแล้วเราค่อยใช้ปัญญามารักษาความสุขที่เราได้จากสมาธินี่ทีหนึ่งก่อนนะถ้าเราใช้ปัญญาตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปรักษาอะไรความสุขก็ไม่มีอย่างมากก็กําจัดความวุ่นวายใจได้ชั่วคราวแต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีเดี๋ยวก็ยังอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยู่ดีแล้วเดี๋ยวความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดี อ่านั่นต้องใส่สมาธิก่อนน่นถึงไปทางปัญญาคือ <c oughs> ตอนนี้จะได้สมาธิก็ต้องมีสติก่อนต้องมันฝึกสติทั้งวันเลยมันพุทโธไปทั้งวันเหนื่ตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปหรือทําให้เช่นนั้นก็คอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่กําลังแปลงฟันก็ให้อยู่การแปลงฟันกํา ล, กลังล่างหน้าก็อยู่การล่างหน้า อย่าแปลงฟันไปแล้วก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปขายขนมที่ไหนดีอย่างนี้ไม่มีสติแล้วถ้ามีสติต้องอยู่กับเรื่องเรื่องเดียวถ้าจะอยู่กับพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าปล่อยให้มันคิดนั่งสมาธิเวลามานั่งสมาธิไม่มีวันสงบแต่ถ้าคุมมันได้เวลามานั่งสมาธิมันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวมันก็สงบ แล้วก็จะมีความสุขความอยากมันก็จะหายไปความโลภมันก็จะหายไปชั่วคราวพ อ, อจากสมาธิมาพอจะเกิดความโลภที่นต้องใช้ปัญญาล้ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติหยุดมันก่อนพอโลภอยากได้อะไรก็พุโทโธพุโทโธสู้มันไปก่อนถ้าใช้ปัญญาเป็นก็สอนเลยว่าถามเลยว่าสิ่งที่โลภสิ่งที่อยากได้เที่ยังไม่เที่ยงเวลามันหมดไปมันสุขหรือทุกข์ถามดู ถ้าใช้ปัญญาสอบถามแล้วมันก็จะได้คําตอบว่ามันทุกข์มันไม่เที่ยงเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราก็จะไม่อยากได้เราก็พอไม่อยากได้ความอยากหยุดไปความสงบก็กลับมาทันทีมีคําถามเข้ามายังถามเลยคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะ หลวงปู่ดุลท่านเคยกล่าวว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ผู้เห็นไม่จริงอะ่ะท่านกล่าวแบบนี้หมายความว่ายังไงคะก็ทุกอย่างมันไม่เที่ยงไงมันก็เลยไม่จริงไงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปตอนที่เห็นมันก็เห็นแต่พอไม่เห็นมันก็หายไปของทุกอย่างมันจึงไม่จริงมันเป็นของปรองเป็นของชั่วคราวมันจึงทําให้เราทุกข์กันเพราะเราคิดว่าเป็นของจริง คิดว่าจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดออเดี๋ยวแป๊บเดียวหายไปแล้วมันไม่จริงมันจริงชั่วคราวมันไม่จริงถาวรถ้ามันของถาวรมันต้องอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาคำถามจากคุณประหยัดฝนตกเสียงดังอย่างนี้ผมนั่งภาวนาพุทโธไม่ได้เลยครับปุ้งจนคุมสติไม่อยู่จะแก้ไขยอย่างไรครับก็บกรองต้นก็ลองสวดมนต์ไปก่อน ส่วนเีส่วนร้อยครั้งไปสวดไปหรือไม่เช่นั้นถ้าดูลมได้ก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้คำถามจากคุณนันทนาสงสัยว่าการทําให้สงแตกแยกกันคืออย่างไรเจ้าคะอย่างวัดแถวบ้านสงเขาไม่ถูกกันแบ่งพักแบ่งพวกกันฝ่ายญาติโยมก็แยกกันตามกลุ่มพระลูกที่ชอบอย่างนี้ทําให้สงแตกแยกกันใช่ไหมคะ ก็ใช่ถ้าสองทะเลาะกันมันก็จะทำให้าวาดวาราไม่สงบทำให้เกิดความาสับสนโลมานาทำให้เกิดทุกข์กันตามม า, าไม่ดีคำถามทักคุณสุวรรณาเมื่อเจริญภาวนารู้สึกได้ถึงลมหายใจละเอียดจิตว่างหลังจากออกจากภาวนาบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆในเวลาปกติ มองดูลมหายใจมองไม่เห็นเจ้าคะ่ะคือลมละเอียดมากเหมือนตอนที่ภาวนาคำถามคือลมละเอียดที่เกิดขึ้นนี้คือผลของการเจริญภาวนาใช่หรือไม่เจ้าคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือสิ่งเดียวกันกับตอนที่ภาวนาตอนเข้าาวังหรือไม่คะก็จิตมันละเอียดจิตมันเบาลงความคิดน้อยลงลมมันก็เลยละเอียดตามก็ให้ดูถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้ดูดูว่าคิดอยู่หรือเปล่า ถ้าคิดถ้าคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดเนี่พอรู้ว่าคิดมันก็หยุดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจิตยังไม่รวมเข้าพวังเต็มร้อยกําลังจะเข้ากําลังเข้าได้เข้าเข็เขมอยู่ต้องดูต่อไปอย่าไปเปลี่ยนการอย่าไปพยายามควานหาลมหายใจมาดูเมื่อไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่างไปดูว่ามีความคิดหรือเปล่า ถ้ามีความคิดก็หยุดมันไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปยังมีคําถามอยู่เปล mm hmm. ่าเอาข้อมาต่อยังมีอีกสิบนาทีคำถามจากคุณธั ญ, ญทิพย์เวลาเรานั่งสมาธิรู้สึกตัวลอยๆทํายังไงถึงจะกลุ้สติอยู่คะอ๋อตัวลอยไม่มีปัญหาอะไรมันจะลอยก็เรื่องมันไม่ความรู้สึกหลอกเราไปเท่านั้นตัวเราไม่ลอยหรอกตัวเราหนักจะตายไป ให้มีสติอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมไปเรื่อยๆบางทีก็รู้สึกท้องบางทีก็รู้สึกหดมันหลอกเราความรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าเองไปทางนั้นทางนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจพยายามให้ใจอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมไปป mm hmm. ีเลสมานมันจะมาหลอกให้เราเสียสมาธิไม่ไม่ให้เราพุทธโธไม่ให้เราดูลมเนี้ยมันก็จะมาหลอกให้เราขยับร่างกาย mm hmm. หรือลูนตาขึ้นมาดูว่าพองจริงร็เปล่ารอยจริงร็เปล่ามันหลอกรรงอย่าไปสนใจให้รู้ทันว่ากำลังถูกหลอกมันจะไม่ให้เราพุทธโทมันจะไม่ให้เราดูลมหายใจคำถามจากคุณกสิทธพัฒนผมรักษาสิงห์แปดอยู่บ้านอยากถามเรื่องปานะ สามารถทานได้ไหมครับหนึ่งสาหลายสองอินทราลัมสามเนทานกะวันถ้าทานไม่ได้ทานเป็นอาหารจะผิดศีลไหมครับคือมันไม่ได้ทานเป็นอาหารหรือไม่เป็นอ า, ามันอยู่ที่ว่าทางทางทางทางทางโลกทางสังคมเขาว่ามันเป็นอาหารหรือเป็นยาถ้ามันเป็นยาก็กินได้ถ้ามันเป็นอาหารก็กินไม่ได้ นี่มันมีของออกมาเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่รู้เป็นยาหรือไม่เป็นยาบางคนก็าสาหร่ายกินเป็นยาบางคน ก, ก็กินเป็นอาหารมันก็อยู่ที่ว่ามันมันเป็นอะไรกันแนะ่มันเป็นอาหารหรือเป็นยาความจริง้วถ้ามันเป็นยาแต่ถ้าเราไม่เรายังสบายได้อยู่ไปกินทำไม <c oughs> กินก็แสดงว่าเรื่องบาลีหยหาหาเหตุหาของกินอยากกิน อย่าไปกินมันเลยกินเมื่อเดียวจบดีกว่าหลังจากนั้นก็เดินน้ําเปล่าไปหรือสิ่งที่ท่านอนุญาตชัดเจนก็คือน้ําผ ล, ลไม้แต่น้ําผลไม้ที่ต้องเป็นผลผลที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นถ้าพวกที่ใหญ่โชคแตงโมพวกมะพร้าวนี่ชันไม่ได้แล้วเวลามีเนื้อมีกากาก็ต้องกรองออกให้มีแต่เนื้อให้มีแต่น้าําใสๆอย่างเดียว แต่ถ้ามันยุ่งยากก็อย่าไปกินมันเลยดื่มน้าเปล่านี่แหละง่ายดีคำถามจากคุณหนูแอมหนูภาวานาพุทโธตลอดยืนเดินนั่งนอนแล้วเห็นพุทโธมันแยกออกจากจิตพี่หนูเห็นเรียกว่าจิตผู้รู้ใช่ไหมคะก็ผู้รู้แหละเป็นผู้เห็นแต่ยังยังไม่เห็นผู้รู้เราต้องเห็นผู้รู้แต่เห็นผู้รู้ก็ต้อง ทุกอย่างหายไปหมดถึงจะเหลือแต่ผู้รู้เหมือนจะเห็นจอทีวีเนี้ต้องปิดทีวีก่อนพอปิดทีวีแล้วก็จะเห็นจอพอเปิดทีวีขึ้นมาจอก็หายไปภาพก็มาทับอยู่บนจอผู้รู้ก็ถูกความคิดถูกภาพอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจมันทับเอาไว้ถ้าเราอยากจะให้เห็นผู้รู้ก็ต้องให้ความคิดหายไปพอความคิดหายไป ภาพหรืออะไรต่างๆมันก็จะหายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวเราก็จะรู้ว่า อ, อันนี้แหละคือผู้รู้เป็นอย่างนี้เองคำถามจากคุณสารัพถ้ะอาจารย์ไม่ติดต่อเพื่อนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ติดต่อเพื่อนไม่มีเพื่อนอนี่ก็เยอะแย ะ, ะ <laughs> นเนี่ยสะเพื่อนในธรรมเนี่ยญาติโยมมาเยี่ยมทุกวันเนี่ยมีเพื่อนมาหาทุกวันต้องไปหาเพื่อนที่ไหนอีกสะทำนิกเนี่ย เอเพื่อนในธรรมมีอยู่เนียยอะแยะวันติดตามก็อยห้าหกร้อยคนในเฟซก็ติดตามต้องแสนแสนกว่ามีเพื่อนทั้งนั้นเ่งแต่ว่าไม่มีเพื่อ น, นอะไรยังไงยงแต่ว่าไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องเห็นกันเราเพื่อนทางธรรมนี่เราใช้ธรรมะเป็นสื่อบริโภคธรรมะเราไม่บริโภคกาแฟขนมนมเลยอ เราเพื่อนทางโลกนี้เดี๋ยวต้องไปตามร้านอาหารไปตามร้านขนมชวนกันไปกินชวนกันไปดืม่มเพื่อนเพื่อนทางธรรมนี่เรามาสนทนาธรรมมาฟังเทศฟังธรรมอาหารอนโอชะคือธรรมะลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงครับถามจากคุณจิรศักดิ์ถ้าเริ่มรู้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ถือเป็นปัญญาใหม่ครับ ถ้าถ้าดึงกลับเข้ามาได้ก็เป็นปัญญาถ้าออกแล้วก็ไปกับมันเลยก็ไม่เป็นปัญญารู้ว่าออกแต่ไม่ดึงกลับอย่างนี้ก็รู้แบบกิเลสไม่ใช่รู้แบบธรรมถ้ารู้แบบธรรมพอออกข้างนอกปั๊บต้องดึงกลับเข้าบ้านเข้าบ้านคำ ถ, ถามจากคุณชีวิตนี้น้อยนะักถ้าเราขับรถชนสัตว์ในระยะกระชั้นชิดแล้วสัตว์ตายถือว่าผิดศีลและบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกไม่มีไม่มีเจตนาการจะทำบาปหรือทําผิดศีลต้องมีความตั้งใจและมีการเสียหายเกิดขึ้นถ้าเกิดความเสียหายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่บาปเรียกว่าเหตุสุดวิสัยคำถามจากคุณกิติศักดิ์พระอาจารย์เรียนจบมองนอกมาทําไมถึงอยากบวชครับก็มันยังไม่พองไงเรียนจบตอนต้นคิดว่าไปเรียนจบแล้วจะมีความสุข แต่พอจบแล้วกลับมีความทุกข์เพราะต้องหางานอทุกข์กับการหางานเพราะได้งานก็ทุกข์อีกกลัวก็กลัวจะถูกก็ไล่ออกอีกก็เล ย, ยมันไม่ใช่ทางเนั่ยคิดว่าตอนตอน้นก็แค่เป็นทางสู่ความสุขแล้วพอดีมีคนให้หนังสือธรรมะมาอ่านพระวจนะบอกทางสู่ความสุขก็คือการปฏิบัตินะการทําใจให้สงบก็เลยลองปฏิบัติดูนั่งสมาธิอยู่ใจก็สงบขึ้นมา มีความสุขขึ้นมาก็เลยโอ้ทางนี้ดีกว่าไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกไล่ออกหรือไม่ไล่ออกไม่ต้องมีเงินซื้อข้าวของซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ความสุขยังต่นั่งหลับตามีสติควบคุมใจให้สงบก็มีความสุขได้ก็เลยลาออกจากงานเลยลาออจากงานแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ปีหนึง่งก็เลยบวชได้รู้ว่าอ๋อบวชไดนะ้ตอนต้นก<ม>็ไม่แน่ใจว่าบวชได้เปล่าเพราะยังคิดว่าเดี๋ยวไปบวชแล้วเดี๋ยวเกิดอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวมันก็จะทุกข์อีก ก็เลยลองลองปฏิบัติโดยที่ไม่ได้บวชดูก่อนก็ไปเที่ยวบ้างบางครั้งก็แพ้มันก็ไปแต่นั้นที่สุดก็คิดว่าพอจะเอามันได้แล้วออย่างหนึ่งมันถูกบังคับให้บวชด้วยเพราะเงินหมดถ้าอยากจะถ้าอยากถ้าอยากจะไม่บวชก็ต้องหาเงินก็ต้องไปทํางานถ้าทํางานก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิแล้วอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องไปบวชก็เลยต้องบวช ก็เลยบวชจนถึงวันนี้สี่สี่สิบปีแล้วตั้งแต่พศหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดนี่ห0ศ2นย์สี่บสองปีสี่บสองปีก็ขอให้นั่งเถิดเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับสมาธิความสงบนดแห่งธรรมชนะนดทั้งปวงแล้วได้ความสุขกันนี้แล้วยนทุกอย่างที่วนโยนทิ้งได้หมดงานการอะไรนี่ลาออกได้เฉยเลยเจ้าของบริ ษ, ษทัทถามม จะเเงินเดือนเพิ่มหรอือผมไม่เอาจะลาออกเพราะว่าไม่ต้องการเงินแล้วต้องการเวลาจะเวลาไปปฏิบัติตอนต้นเขาคิดว่าเราลาออกเพื่อที่จะของเงินเดือนเพิ่มเราไม่เอาเราไม่ต้องการนะขอให้เราฝึกสติสติเนี่ยสําคัญที่สุดควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้ได้อยู่กับพุทโธโดยอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเวลานั่งก็อยู่กับลมหายใจรับรองได้ว่าจิตก็จะสงบได้ สงบแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะไม่หิวไม่โหงจะมีไม่อยากได้อะไรก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ